อาจารยิศพรทุกๆ ท, ท่านนะคราวก่อนใครมาฟังหลวงพ่อเทศมั้งยกมือหน่อยคนที่ฟังแล้วเอาไปทำมั้งเปล่าใครที่คราวก่อนมาฟังแต่ว่าไม่ได้เอาไปปฏิบัติยกมือหน่อยมีไหมไม่มีใครเหรอปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําเพื่อใครทั้งสิ้นนะ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 งั้ น, นเวลาฟังเทศเราอย่า ก, กวนสมาธิของคนอื่นเนะหยิบกล้องหยิบอลไรมาถ่ายมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ่ายรูปไปก็เท่านั้นเองเอาสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะ่ะเข้ามาสู่ใจให้ได้ถ้าเข้ามาสู่ใจของเรานะเราชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นว่าชีวิตเราเนี่ยทวงเราสังเกตไหมจิตของเราออกนอกแนละ้วเห็นไหม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 บอกเกิดจิตเขาจะรวมจะบรรลุมรรคผลนิพพานขนาดนั้นนะเราไปทําเข้อวอก แ, กแวกเนี่ยเราบาปมากเลยนะงั้นปีนี้เป็นอะไรนาะปีนี้คนที่นี่ชอบถ่ายรูปจังถ่ายเป็นระยะระยะนะหยึดได้แล้วเอาธรรมะเอาของจริงไม่เอาอะไรของปลอมดูรูปไปจะได้ประโยชน์อะไรเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจให้ได้ โอกาสที่จะได้ยินธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกนะในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งหลวงพ่อสอนลูกสิทธิ์นะหลวงพ่อโหดนะหลวงพ่อไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่โอ้โอไปเรื่อยๆหรอกเห็นหลวงพายิ้มยิ้มทั้งวันนะแต่ดูสอนแบบไก่เคยหรู้จักไก่ป่าไหมไก่ป่านะเวลามันมีลูกเนะียลูกมันต้องรีบเดินให้เร็วที่สุด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 พอตกเย็นตกค่ำนะเรียกลูกขึ้นต้นไม้วันแรกก็ให้ขึ้นหลังกระโดดเึ้่นไปวันต่อมาไม่ให้ขึ้นแล้วมันจะไปอยู่กิ่งไม้ที่สูงสักเมตรหนึ่งแล้วก็ลองเรียกลูกไก่ฝูงหนึ่งมีสักแปดตัวสิบตัวเลยเนะตัวที่เข้มแข็งนะก็กระโดดขึ้นไปได้ตัวที่ไม่เข้มแข็งขึ้นไม่ได้อีแม่มันจะเรียกอยู่เป็นชั่วโมงเลยแต่เรียกจนกระทั่งมืดพระอาทิตย์ตกดินแล้ว แม่ไก่ก็จะทิ้งลูกไก่ตัวที่อ่อนแอมันจะพาลูกไก่ที่ขึ้นไปได้เม็ดหนึ่งเนะี่ยกระโดดขึ้นกิ่งสูงขึ้นไปอีกนะวันต่อไปก็จะพาขึ้นกิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆให้บินสูงขึ้นสูงขึ้นแม่ไก่สอนลูกไก่แบบนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้มงวดจริงๆนะสอนเราแบบนั้นอย่างพวกเรามาเรียนทีหนึ่งมากๆท่านสอนให้ปฏิบัติ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 วันนี้ศีลยังขาดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะตั้งใจว่าพรุ่งนี้ต้องถือให้ได้ไม่ท้อถอยในการทำความดีทำความดีนะั้นในเบื้องต้นมันทำยากเพราะว่าใจของเราเคยชั่วแต่ถ้าเราเคยฝึกนะเห็นไหมแค่เสียงระบินนะจิตพวกเราอย่างไหลาตามไปเลย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 ฉะนั้นถ้าเรามามองชีวิตเราด้วยความไม่ประมาทเราลองดนะูถ้าเรายังเคยประมาทอยู่ยเรามาสํารวจชีวิตเราดูคนที่เรารู้จักตายไปกี่คนนะมีไหมใครที่รู้จักแล้วยังไม่เคยตายไม่มีคนตายเลยที่เรารู้จักมีไหมไม่มีหรอกนะอยู่มาจนป่านนี้นะเช่าเด็กเล็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นคนตายจะเห็นแมวตายหมาตายอนะไรอย่งี้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 ใช้เงินไม่กี่วันก็หมดลนะกลับไปจนเหมือนเดิมเพราะว่าฐานเคยเป็นอย่างนั้นเนะนี่ยไม่พร้อมที่จะดนะีหรือเราไม่พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญสิ่งเลวร้ายในชีวิตปีนี้ใครจะรู้ไปตรวจร่างกายประจำปีอาจจะเจอมะเร็งขั้นที่สี่ก็ไดนะ้เอาแน่ไม่ได้นน เ, เนี่ยคนเชียงใหม่เนี่ยหายใจควันพิษเข้าไปเยอะเลยนะสารพิษเข้าไปในตัวเยอะแยะเลย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 จิตที่เป็นผู้รู้มันจะเป็นผู้ตื่นมันจะเป็นผู้เบิกบานโดยอันตโนมัติอันนี้เป็นวิธีสำหรับคนที่ทำชาญไม่ได้ถ้าคนทำชาญได้ก็เข้าชาญความสุขในชานนี่เป็นความสุขที่หยาดเยิม้มนะถ้าเคยเข้ามาเราจะรู้ความสุขในชานเป็นความสุขที่หยาดเยิม้มเทียบกับความสุขจากการที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความสุขในชาญเป็นความสุขของเด็ก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 ถ้าทําชาญได้ก็ทํำถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อวานหลวงพ่อเปิดเทศ ท, ที่เชียงรายไปเจอเนเนเนนเป็นคนลาวนะอายุสิบห้าปีเนเนเนี่ไปเรียนที่สวนสันติธรรมที่วัดหลวงพ่อเมืองช น, น่ะเรียนไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเขานั่งสมาธิรู้ลมหายใจลมหายใจนะค่อยละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปลมหายใจหยุดนะกลายเป็นแสง เขารู้ที่แสงเขารู้ที่แสงแล้วนะร่างกายนี้หายไปโลกนี้หายไปเหลือจิตดวงเดียวจิตน่ะเด่นดวงโอ้มีความสุขมหาศาลเลยนะพอออกจากสมาธิมาก็เห็นว่ากายกับจิตน่ะคนละอันกันเพราะเมื่อกี้ร่างกายมันหายไปแล้วต่นนี้มีร่างกายขึ้นมามันก็รู้ว่ากายไม่ใช่จิตหรอกขันนั้นแย่งอัตโนมัติเลยอันนี้คนเขาทําสมาธิได้ลึก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 ถ้าไม่มีกามาสุขอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากได้อะไรก็ไม่ค่อยจะได้ไม่มีความสุขแต่ถ้าทําสมาธิได้มันมีความสุขมีฌานสุขไม่ใช่การมาสุขเป็นฌานสุคนี่ถ้าพวกเราทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจการที่จะฝึกจิตจนกระทั่ทงเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆโลกธาตุดับเลยฝึกกันหลายชาติไม่ใช่ฝึกหลายปีนะฝึกหลายชาติ ถ้าเรายัางทำไม่ได้ก็อย่าท้อใจเราก็ทำสมาธิที่ง่ายๆกว่านั้นหัดรู้เนื้อรู้ตัวไว้เรบินมาทดสอบอีกละ <c oughs> ดูออกไหมพอได้ยินเสียงเรบินเราทำอะไรบ้างมาคนก็หลง หลวงพ่อให้ดูอะไรว่านะลงหลงลงชิดใหญ่งงงงไม่รู้ว่ากำลังงงนี่เรียกว่าหลงนะถ้างงรู้ว่างงเนี่ยถือว่ารู้งนะั้นถ้าเราเข้าฌานไม่ได้นะแ๋ยวทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องทำในรูปแบบอย่างน้อยสิบห้านาทีไม่ขอมากหรอกให้พวกเราทามากพวกเราก็จะไปนั่งเพยงหอกหรือไม่ก็นั่งหลับไปเลย ทำงานเหนื่อยให้ไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับหลับได้ชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาก็บอกวันนี้จิตรวมไปชั่วโมงเปล่านั่งหลับนั่งหลับกับจิตรวมน่ะคนละเรื่องกันนะไม่ได้เหมือนกันเลยนั่งหลับหมามันก็หลับเป็นแมวมันก็หลับเป็นนะแต่เข้าฌานได้นะ่เดี๋ยวเราานมันทําไม่ได้เนี่ยคนละเรื่องกันไม่เหมือนกันนี่เราเบี่ยไปต้องไม่ต้องไปทํานานวันหนึ่งสักสิบห้านาทีก็พอ ไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยแล้วทํากรรมฐานที่เราคุ้นเคยสักอย่างหนึ่งเคยทําพุทโธเราก็ใช้พุทโธเคยดูท้องพองยุบเราก็รู้ผองยุบไปเคยรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจเคยรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้อิริยาบถสีเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทํากรรมฐานอันนั้นแหละแต่ปรับวิธีทําให้ดีเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติทํากรรมฐานผิดคือไปเท่งใส่อารมณ์กรรมฐาน เช่นพุทโธพุทโธก็ไปจ้องอยู่ที่พุทโธไม่ให้จิตคิดเรื่องอื่นเลยบังคับจิตให้นิ่งอยู่ในพุทโธรู้ลมหายใจก็ไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้จิตนิ่งอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวดูท้องฟองยกก็จ้องท้องให้จิตนิ่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวเดินจงกรมไปเพ่งร่างกายบางคนก็เพ่งเฉพาะเท้ายกเท้าย่างเท้าจ้องอยู่ที่เท้าให้จิตนิ่งอยู่ที่เท้าสมาธิอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อสติปัญญาอะไรหรอก นะเป็นสมาธิที่เพ่งเอาไว้เฉยๆเราปรับชนิดหนึ่งบทเรียนของสมาธิพระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าจิตศิกขาไม่เราอย่าทิ้งจิตทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปนะจิตลงไปคิดก็รู้จิตรู้เน้อรู้ตัวอยู่ก็รู้จิตเป็นสุขรู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเบาๆก็รู้จิตหนักๆก็รู้เนะื้อรู้สิ่งเหล่านี้หัดรู้บ่อยๆนะ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 ถ้าหายใจก็พยายามรู้สึกตัวตลอดเวลาจะเครียดจิตจะไม่สงบถ้าเครียดแล้วจิตไม่สงบสมาธิเนี่ยเกิดจะความสุขแล้วทําแล้วสบายๆมีความสุขหลวงพ่อถึงบอกว่ายิ้มหวานๆก่อนยิ้มอย่างสดชื่นยิ้มออกมาจากภายในสดชื่นแล้วอยากรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่มีความสุขนะถ้าใจเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทัน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 การที่เราหลงไปมันก็เหมือนเราอยู่ในโลกของความฝันเราเป็นผู้หลับผู้ฝันอยู่เรารู้ทันขึ้นมาจิตมันก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเราเคยจมกับอารมณ์ถูกอารมณ์เบี่ยงอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเบี่ยงเราไปเบี่ยงเรามาจิตที่ถอนตัวเป็นอิสระขึ้นมาในระดับหนึ่งมีความสุขในความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเนี่ยจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บิกบานมันมีความสุขที่มากมาย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 ให้รู้ทันว่าเขาทํางานเขาจะหยุดทําเมื่อกลายเป็นผู้รู้ทําได้อย่างนี้ชีวิตก็เปลี่ยนแต่ยังเปลี่ยนไม่มากมันมีความเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์กว่านั้นอีกอย่างถ้าเราทํากรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหลงไปฟุ้งไปรู้ทันเลยเนี่ยได้ผู้รู้ชีวิตเราเปลี่ยนนะมีความสุขมีความสงบอยู่ด้วยด้วยตัวของตัวเองเมื่อจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ่งปานแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉย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 จะครูวิญญาณจิตเนี่ยเห็นรูปเห็นสีอย่างนี้เป็นรูปร่างอย่างนี้ต่อมาจิตมันก็เริ่มแปรจิตดวงใหม่นะแปรนี่ปวดน้าเนี่ยมันจะแปรแต่ไม่มีใครเห็นว่าปวดเป็นตัวเราหรอกใครเห็นอย่างนั้นรีบไปหาจิตแพทย์ด่วนเลยนะ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 มันจะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่ตัวเรา ร, <c oughs> ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้อีกมันก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกไม่ใช่ตัวเราเพราะความโลภ ค, ความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้มันก็เห็นว่าโลภโกรธหลงไม่ใช่เราอีกนะี่หัดรู้ไปเรื่อยนะจะเห็นอะไรถูกรู้อะนั้นก็ไม่ใช่เราฝนะึกมากๆเข้าถ้าเราถนัดรู้กาย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 มันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจน บ, บังคับเนี่ยดูลงมานะร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอีกแล้วเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้รู้อยู่ที่กายห้าผาไปคิดเรื่องอื่นซะละสั่งให้รู้อยู่ที่กายเกลือบินมานูน้นหนีตามเรือบินไปละนะใจง่ายนะได้ยินเสียงนีดเดียวหนีตามเลยนะใจเราหนีตามเข้าไปเลยนะเนี่ยหันดูนะ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 จิตมันมีราคาแสดงว่าราคามันไม่ใช่จิตแต่จิตมันมีราคาถนะูกไหมราคากับจิตมันคู่ละันกันนะคําพูดแต่ละคําที่ท่านสอนนั้นสคัญนะเราอย่ามัา่วดูพระพิสูจน์ท่าไหราจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะนั่นะราคาไม่ใช่จิตแต่จิตมันมีราคาขึ้นมาเหมือนพวกเราเนี่ยมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ใช่ตัวเรานี่ราคานี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวที่แสดงขึ้นมา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 เป็นความสุขทุกข์ก็ได้เป็นความดีความชั่วที่แสดงขึ้นมาก็ได้แล้วถ้าละเอียดเข้าไปอีกมันจะเห็นว่าจิตเองก็แ ป, ปรปลุนแสดงได้เหมือนกันไปดูยากอย่าเพิ่งดูจิตโดยโจงนะถ้าอยู่ๆจงใจจะไปดูจิตแล้วก็มันจะนิ่งมันจะว่างไปเลยหลวงปู่ ด, ดูลบอกใช้จิตสแสวงหาจิตใช้จิตสแสวงหาจิตนะอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอได้มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราดูอะไร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 อย่าไปดูแต่ลมหายใจนะพวกที่บอกทำอาณาปาณสติส่วนใหญ่ไปเพ่งลมหูวงพ่อตอนเด็กก็ทําอย่างนั้นนะไปเพ่งลมมันเป็นอาณาปณาาสตินะแต่ว่าน้อมไปสู่สมถะอีกชนิดหนึ่งสงบสงบอย่างเดียวเลยจะเข้าฌานแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะต่อยอดเข้าไปสู่การแยกขันคือรจิตเป็นคนดูเนี่ยขันหนึ่งร่างกาย เป็นรูปประคัน อ, อีกส่วนหนึ่งจะแยกขันได้นะแล้วก็จะเกิดปัญญาเห็นว่ารูปประคันคือกายนี้ไม่ใช่เราจิต ท, ที่เป็นคนดูนี้ไม่ใช่เราปัญญามันเกิดตรงที่เห็นใจรักของรูปของนามมันอยู่ตรงนี้งั้นเวลารู้ลมหายใจอย่าไปรู้แค่ลมหายใจให้รู้ว่าร่างกายหายใจพิสูจน์ทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกยาวนะ ร่างกายหายใจออกนชะ่ไใครหาย ใ, หใจเข้าร่างกายหายใจเข้ารู้สึกสบายสๆนะถ้าไปจ้องใส่ลมเนี่ยจิตมันจะบีบตัวลงมันจะบีมลงมานะมาจับอยู่ที่ลมลมเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนลงจ้องอย่างนีนะ้ถ้าจ้องอย่างนี้จะได้สมถะเฉยๆนะจะไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้หรอกยกเว้นยกเว้นจ้องไปเรื่อยนะเจอทั้งลมขึ้นมาอยู่ที่จมูกลมดับ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 จิตจะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งไม่มีไปไหนเลยถ้าเข้าปฐมฌานนี่เมื่อเข้าปฐมฌานแล้วเนี่ยจิตที่มีความแก่กล้าในการเจริญปัญญามันจะเห็นอีกวาขณะนี้จิตได้เคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างพอรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่แสงสว่างมันจะทิ้งแสงสว่างจิตจะย้อนเข้าหาจิตเรียกว่าวิตกวิจารนั้นดับไปจะเกิดปีติมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่ที่จิต แล e วในฌานที่2เนี่ยจิตตั้งมั่นเข้ามาถึงจิตอย่างแท้จริงแล้วตัวนี้แหละคือตัวเดียวกับที่พวกเราฝึกนะแต่ของเราฝึกเราได้คณิกะสมาธิถ้าฝึกเต็มรูปแบบเนี่ยเขาได้ถึงอัปปนาสมาธิจิตจะตั้งมั่นเป็นตัวรู้เด่นดวงอยู่ในฌานที่สองขึ้นไปนะฌานที่1เนี่ยจิตยังไม่เป็นตัวรู้เพราะอะไรเพราะมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสง ในฌานที่สองเนี่ยจิตมันรู้ทันแล้วว่ามันเคลื่อนที่แสงมันทิ้งแสงม่นกลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมานี่จิตที่ทรงฌานอย่างนี้ยเมื่อออกจากฌานมาแล้วนะมันจะมีแรงมากมีกําลังมากมันจะสามารถตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่ได้นานยิ่งถ้าคนไหนทําฌานลึกเข้าไปจนกระทั่งร่างกายหายไปโลกธาตุดับไปเหลือแต่จิตดวงเดียว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 เรากำลังของเราไม่พอนะเราใช้คณิกะสมาธิจิตหลงแล้รู้จิตหลงเรารู้เราซ้อมอย่างนี้พุโทโธพุโทโธจิตหลงเรารู้ก็ได้รู้เพิ่มขึ้นรู้เพิ่มขึ้นนะในส่วนเราก็ได้ความรู้ตัวขึ้นมาบางทีเผลอเมื่อไหร่จิตหมดสมาธิเมื่อไหร่นะกายกับจิตก็มาเป็นก้อนเดียวกันนะกลับมารวมกันใหม่จะไม่เหมือนคนที่เข้าถึงฌานที่โลกธาตุดับร่างกายดับนะพวกนี้จะเห็นได้ว่ากายกับจิตน่ะขาดจากกันเป็นโคโานกัน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 เห็นชั่งนี้ชํานาญขึ้นนะต่อไปมันจะเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามีเห็นขันเห็นขันห้าแล้วรู้การทํางานด้วยบางทีมันก็รู้ชัดเมบางทีมันก็มัวมันก็เห็นอีกโอ้มันมัวเพราะนิวรณ์มันเกิดขึ้นสมาธิมันตกจิตไม่ได้เป็นผู้รู้แล้วสมาธิมันตกนิวรณ์นี่เองเป็นตัวที่ทําให้สมาธิเสื่อมเมื่อมีนิวรณ์แล้วก็ไม่สามารถเดินปัญญาได้ก็จะรู้อีกว่า นิวรณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันนิวรณ์ตั้งอยู่ก็รู้ทันนิวรณ์ดับไปก็รู้ทันนะนิวรณ์เกิดเพราะอะไรการมาฉันทะนิวรณ์เนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะใจเราเนี่ยไปมองสิ่งต่างๆในแง่สวยงามในแง่มันดีน่าชอบการมาฉันทะมันก็เกิดพยาบาทเกิดจากอะไรเกิดจากใจเราไปมองสิ่งต่างๆแต่มองในมุมของความไม่ดีมองในมุมที่ไม่น่าพอใจนะ มันก็เกิดเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นนะเราจะเห็นว่ากระทั่งนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเหตุให้เกิดนะเรารู้ด้วยว่าทำไงไม่เกิดนะเนี่ยตรงนี้มันเป็นการที่เดินเข้าไปสู่ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนะมันจะปันนิดมากในยธรรมานุภาสนาเนี่ยมันไม่ใช่รู้สภาวะเกิดดับตื้นๆอย่างนี้มันรู้เหตุรู้ผลด้วยนะเช่นรู้นิวรณ์น่ยไม่ใช่รู้ว่านิวรณ์เกิดนิวรณ์ดับหรอกมารู้เหตุของนิวรณนด้วยนะรู้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 หัดไปหัดมาโพชฌงเจ็ดเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นนะเรื่อจะเห็นหรือเห็นถึงอริยสัจนะถึงอริยสัจเนี่อยู่ในกลุ่มของธรรมานุปัสสนาหลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังเผื่อไว้ก่อนตอนนี้บุญบา ร, รมีเราเนี่ยอย่ามาเริ่มต้นที่ธรรมานุปัสสนาเลยนะตายเปล่านะเริ่มของง่ายก่อนดูกายเห็นกายทํางานใจเป็นคนดูดูความสุขทุกข์ใจเป็นคนดู นะดูคุณสอนคุศสที่เกิดขึ้นใจเป็นคนดูฟึ้อย่างนี้ก่อนฝึกจนแก่กล้าแล้วนะสุดท้ายทุกคนนะจะเข้าไปที่ธรรมานุปัสสนาจะเข้าไปสู่ตัวสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาด้วยซ้าไปนะคือไปรู้แจ้งอริยสัจนะจะไปรู้อริยสัจงั้นพวกเราอย่าใจร้อนคล้ายๆเราอย่างเรียนประถมอยู่เลยนะยังไม่ต้องไปเรียนวิชาฟิสิกอะไรมากมายแบบมหาวิเลยด็อกเตอร์อะไรเนะี เราไม่ต้องเรียนขนาดนั้นเราก็เรียนแบบที่เราทําได้เรายังเป็นลูกไก่ที่ไม่แข็งแรงเราขึ้นไม้จิงไม้เตี้ยๆก่อนแต่ต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นแม่ไก่เรียกนานๆไปเสียงแหบเสียงแห้งแม่ไก่ก็ต้องทิ้งนะเพื่อแม่ไก่จะพาลูกไก่ที่แข็งแรงเนี่ยเดินเจ้าหน้าต่อไปโหดไหมพราก็จะเจ้าสอนอย่างนี้นะสอนอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านสอนพวก พุทธบริษัทเนี่ยสอนยากโจมทั้งหลายหรือกระทั่งสอนพระเนี่ยเหมือนคนฝึกม้าม้าบางตัวเนี่ยว่าง่ายสอนง่ายให้กินอิ่มนอนหลับนะแล้วก็พามันวิ่งพามันซ้อมพามเลยมันก็ฝึกสําเร็จม้าบางตัวพยศมากต้องอดอาหารมันฝึกมันให้มันทรมานมันมากมาบังคับมันมากๆเชี่ยวเข็นมันมากๆทรมานมากๆมันถึงจะเชื่องถึงจะฝึกสําเร็จม้าบางตัวฝึกไม่ได้ ม้าบางตัวฝึกไม่ได้ท่านจะฆ่าทิ้งเสีย อ, อันนี้ท่านสอนนักฝึกมา้านะมีนักฝึกม้าคนหนึ่งไปถาม พ, าาาพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยฆ่าพระองค์ฝึกม้าม้ามีหลายจําพวกนะเนี่ยถามวนะ่าพระองค์่ฝึกคนยังไงพระเจ้าเลยถามว่าเธอฝึกม้าแบบไหนลนะ่ะบอกม้าตัวไหนว่าง่ายนะเชื่องก็พามันฝึกเลยให้มันกินให้มันอะไพักผ่อนสบายฝึกสบสบาย บางตัวมันดือ้อต้องทรมา น, ม, นมันให้มันเหนื่อยให้มันกลัวทรมานมันเพ่อฝึกมันได้ตัวไหนที่มันฝึกไม่ได้ข้าพระองค์ก็ค่าทิ้งฆ่าทิ้งคือไม่เลี้ยงมันแล้วเสียญ่าอุตส่าหาย่าให้กินนะฝึกอะไรก็ไม่ได้นะพระเจ้าก็บอกว่าเราก็ฝึกคนนะฝึกสาวกของเราแบบที่เธอฝึกม้านี่แหละตัวไหนฝึกว่าง่ายสอนง่ายนะก็สอนนุ่มนวล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 คุณหิงคุณนายไปบอกท่านบอกดิฉันเนี่ยได้ภาวนามานานแล้วดิฉันไม่มีความโกรธแล้วคือจะอวดว่าเป็นพระอนาคาท่านมองหน้าปุ๊บอีตอแหลพูดประโยคเดียวหละโอ้พระอนาคาคาเลือดขึ้นมาถ้รราอะไรปากจัดนะออกจากวัดเลยนะเดินตุ๊บๆๆ๊ไปถึงหน้าวัดนึกได้ว่านี่โกรธเนี่ยนเนี่ยประเภทม้าดือ้อเจอของแข็ง ถ้าม้านุ่มนวลก็ค่อยๆสอนค่อยๆสอนแต่ถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องค่าทิ้งวิธีค่าทิ้งของพระพุทธเจ้าคือไม่สอนวิธีค่าทิ้งของพระพุทธเจ้าคือไม่สอนงั้นอย่างพวกเราชมนมสารธรรมอะไรเนี่ยนักเผยแพร่ก็ต้องรู้นะไม่ใช่เจอใครก็จะเผยแพร่แหลกลานนะ <S <S บางคนเขาไม่เอาไม่เอาก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้นเรียกว่าฆ่าทิ้ง ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไปเพ้นพวกเราพยายามเป็นลูกไก่ที่เข้มแข็งหน่อยนะตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ได้เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลจากนั้นก็มาฝึกตัวเองมาถือศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้มาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลืลรู้ในสุดจิตจะเป็นผู้รู้พอจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมีความสุขก็อย่าเพลินอยู่ที่ความสุขตรงนี้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 แป๊บเดียวก็งอนลนะเนี่ยจิตมันสั่งอะไรจริงจังไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วก็แปรปรวนตลอดจิตใจมันคุ้มดีคุ้มร้ายคำนี้ดีนะคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายของพวกเราเองน่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเราพวกคนคุ้มดีคุ้มร้ายทั้งหลายเนี่ยเนี่เราเห็นทูกเห็นโทษนะเราก็มาฝึกร่างกายถูกรู้ไม่ใช่เราจิตที่รู้กายไม่ใช่เราเวทนา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 เรือบินไม่มานานแล้วเห็นไหมถ้าเรืบินมามันจะชไปตามเห็นไหมเรือบินจิตวิ่งตามเรือบินนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เห็นไหมเนื้อห้ามไม่ได้เรือบินมาจิตก็วิ่งไปทางนี้เรือบินไปทางนี้จิตก็ตามไปเนี่ยห้ามมันได้ไหมเสียงอยู่ทางนี้เอาจิตไว้ข้งนี้พอเรือบินไปทางนี้เอาจิตมาจะไว้ข้งนี้ไม่นานโรคจิตจะกินจิตจะปรลาดเกินไปนะฝึกนะฝึกเข้า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 ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์การกระทากรรมยังมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำกรรมนะเห็นแต่ขันห้ามันทำงานของมันไปร่างกายกระทำกรรมได้ไหมร่างกายเคลื่อนไหวไดนะ้แต่จะเป็นกรรมหรือไม่อยู่ที่จิตมีเจตนาพาร่างกายไปทำกรรมเรียกกายกรรมกายกรรมจริงๆก็คือจิตมันสั่งให้ทำลำพังร่างกายมันทากรรมไม่ได้หรอกนะว่าจีกรรมหรือนะใครสั่งให้พูด จิตเขาสั่งให้พูดใช่ไหมถ้าจิตไม่สั่งให้พูดมันไม่พูดหรอกอย่างโกรธขึ้นมานะเราว่าจะไม่ว่าเขานะเพราะมันโกรธขึ้นมานะั้นจิตสั่งให้ดา่าด่าเลยนะไงกยาย ก, กรรมวิจีกรรมอะไรนะี้มันมาจากจิตทั้งนั้นแหละนั่นเราเรียนรู้นะเรียนรู้เข้าไปท่าจิตเก็ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะถึงจุดหนึง่งก็ปล่อยวางเหมือนกันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งปล่อยอย่ารีบปล่อยตัวผู้รู้นะ ต้งฝึกให้ได้ตัวผู้รู้แล้วเอาตัวผู้รู้นี้ไปเรียนรู้ความจริงของรูปนำกายใจรู้ความจริงท่องแท้แล้วเวลาวางค่อยวางเป็นลําดับไปมันจะวางรูปก่อนนะวางกายก่อนต่อไปไม่้วางความรู้สึกหยาบๆ อ, ออกไปตัวที่วางยากที่สุดคือตัวจิตผู้รู้นะั่นแหละวางยากที่สุดหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อบอกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจชงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง แต่ว่าการจะทำลายจิตได้ก็คือมีปัญญาเห็นความจริงของจิตแทงทะลุลงไปในจิตว่าจิตนี้คือตัวทุกขนะ์ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็มันจะปล่อยวางจิตได้ถ้าออกตั้งใจนะไปฟังซีดีฟัง youtube ที่หลวงพ่อเทศส้นะไม่ใช่ไปฟังเพลงกงไปฟังที่หลวงพ่อเทศเสดไว้มันยากเหมือนกันยากเหมือนกันนะทําไมต้องยากเพราะว่าเนี่ยลูกไก่จะต้องโดดขึ้นกิ่งไม้มันก็ยากเหมือนกันนะ ต้องพยายามนะทีแรกก็จะมีลูกไก่เยอะนะล้อนออกไปนอกวัดต่อมามันจะเริะลูกไก่ที่แกล้งจริงๆนะจำนวนน้อยคนซึ่งที่ว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยมีจํานวนมากแต่ที่เป็นชาวพุทธจริงๆมีจํานวนน้อยชาวพุทธที่มีศีลธรรมยิ่งมีจํานวนน้อยหนักขึ้นอีกนะถือศีลห้าได้ชาวพุทธที่คิดเรื่องการปฏิบัติอยากปฏิบัติยิ่งน้อยหนักขึ้นอีกชาวพุทธที่ลงมือปฏิบัติถูกนะ นี่ปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัตินี่ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกแล้วที่ปฏิบัติถูกจนกระทั่งได้มรรคผลนิพพานเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกคนจำนวนน้อยหรอกที่จะรับพระพุทธศาสนาไว้ได้คำว่ารับไว้ได้หมายถึงรับเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดานะเปลี่ยนโคตรเนี่ยเปลี่ยนโคตรไปสู่โคตรพระอริยนะเปลี่ยนตระกูลจากพุทชนเป็นพระอริยะจะมีไม่มากนักหรอก ตั้งแต่สมัยพุทธากาลแล้วเหมือนอย่างตอนอุปติสะอุปติสะตอนหลังไปบวชเป็นพระสาริบุตรอุปติสะเนี่ยเป็นปริภาชกนะอยู่กับอาจารย์สันชัยพอได้ยินธรรมะของพระอาชีแล้วได้โสดา mm. ก็เลยไปชวนอาจารย์สันชัยบอกให้ไปหาพระพุทธเจ้าด้วยกันอาจารย์สันชัยไม่ยอมไปเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วจะให้ไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยทนไม่ได้ไม่ยอมไป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 เพราะงั้นเธอจะไปก็ไปเถอะนะเธอมันพวกคนส่วนน้อยมันเก่งจริงๆนะจางสัญชัยนะมันไม่ใช่งโง่นะด้วยคนส่วนน้อยมาแต่ยุคน้นแล้วนะคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้จริงๆคือไอ้ลูกไก่ที่สามารถขึ้นถึงยอดไม้แล้วก็บินโผล่ไปได้เป็น 10-10 เม10ตรนะมีไม่กี่ตัวหรอกนะมันต้องใจแข็งจริงๆแต่ชาตินี้นะถ้าไม่ได้พ ร, าารนะอรหันต์ก็ไม่เป็นไรหรอกนะอย่างน้อยโสดาให้ได้ ถ้าเราตั้งใจจริงรักษาศีลห้าทุกวันฝึก อ, อย่างที่หลวงพ่อบอกนะสใส่ใจจิตใจของตนเองไปฟุ้งซ่านเรารู้ฟุ้งซ่านเรารู้ก็ได้สมาธิแล้วก็ดูรูปตัวนามทางานไปจิตเป็นคนดูไปฝึกนะ อ, อย่างนี้แหลถึงวันหนึ่งอินทรีย์เราแก่กล้าก็จะได้มากได้ผลมันไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินวิสัยของคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตตัวเอง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 คนมันยังหลงอ่ะมันยังหลงมันยังมันอยู่กับโลกไ ม, มว่าอะไรเขาเขาก็ดีของเขานะก็ช่างเขาเถิดเราคนส่วนน้อยนี่แหละพนะยายามเรียนที่หลวงพ่อสอนนะคําสอนของหลวงพ่อเนี่ยรับรองเจอทุกคราวยากทุกคราวฟังแล้วง่ายแต่ลงมือจริงอะยากเพราะอะไรเครื่องบินนะจะหรือจรวดนะีจะออกจากโลกใช้พลังงานเยอะนะ จะหนี้จากแรงดึงดูดของกิเลสนะั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องเด็ดเดี่ยวพอนะหัดใหม่ๆหลวงพ่อจะโหนะเฮ้ยง่ายไม่ไมีอะไรหรอกดูจิต ด, ดูใจไปหนะลวงพ่อหลอกเด็กนะพอเด็กโตขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยเราจะสอนกรรมฐานที่จริงจังมากขึ้นแล้วนะนะสอนให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจเนี่ยนะฝึกของเราไปแล้วเราจะได้ของดีเราจะรู้ในความสุขในโลกเนี้ยไร้สาระ ความสุขในโลกคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขของสมาธิก็เหมือนความสุขของเด็กเหลอเพลินเพลินความสุขของคนมีปัญญาเป็นความสุขของผู้ใหญ่ในวัยทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตความสุขของมรรคผลนิพพานนี่เป็นความสุขของการสิ้นภาระยิ่งกว่าความสุขอย่างอื่นอีกมันสิ้นภาระอย่างแท้จริงเลย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 เราจะมองด้วยความเมตตาสงสารด้วนๆเลยแต่ในเมตตานั้นเจืออุเวกขาอยู่เทียบพร้อมช่วยไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเมตตาไม่ไมเมตตาแต่เจือด้วยอุเบกขานะเธ อ, อทําอย่างนี้ก็ยังดีอยู่นะอย่าทําชั่วมากนะก็รักกันทําชั่วนิดหน่อยถ้าไม่ไม่ไมไมทำได้เลยก็ดีที่สุดแหละนะค่อยๆประคบประหงไปอินทรีย์ทุยอ่อน <S <S <S <S พวกเราเนี่ยหลวงพ่อถือว่ามาฟังหลวงพ่อเทศน์หลายรอบแล้วนะอดทนฟังมาจนถึงวันนี้นะ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 ที่หลวงพ่อดูพวกเราเนะี่ยพวกเรารู้สึกไหมว่าที่เราฝึกกันมาเนะี่ยจิตใจเราสว่างสวยขึ้นรู้สึกไหมมันรู้เนะื้อรู้ตัวใจสว่างสวยมันรู้ตื่นเบิกบานจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบางคนแยกขันได้อย่างนี้แยกเก่งนะแต่เลยพอชมดีเดียวเลยรวบเข้ามาแน่นปึ๊กไปเลยนะรักดีหามจัวจัวหนักนะนะเป็นคนดีจ้องเอาให้หนักใช้ได้นะในภาพรวมถือว่าดี นี่หลวงพ่อตั้งใจเนีมาเทศจะทางไกลๆนั่งรบินเทศเนี่ยถึงปี 2,560 น, น ะ, ะเราจะน่าจะเกษียณแนะไม่จำเป็นต่อไปพวกเราก็ฟัง c ีดีเอาดู YouTube เอานะขอช่วยตัวเองได้ในสามปีเนี่ยหัดบินให้ได้นะหัดบินให้ขึ้นนะสปีหลวงพ่อจะช่วยแค่นิดที่เหลือเราต้องบินเอง สู้นะน่ <c oughs> ละเรอสมควรแค่เวลาน่าละแบบฝึกหัดมาละค่ะ ข, ขอ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 นะถ้าช่วงนี้มันดูตลอดวันตลอดคืนนะเห็นเกิดดับจนมันทุกข์มันเครียดเต็มทีแล้วหยุดดูทําสมถะนะถ้าเดินอยู่อย่างนี้แหละค่ะอย่างระหว่างวันหนูก็จะดูถือถ้ามันมีให้เห็นตรงกลางก็คือจะดูไปแต่ถ้ามันไม่มีปกติจิตหนูเหมือนตอนนี้ไหมส่วนถ้ากลางวันส่วนใหญ่ก็จะประมาณประมาณนี้เลยเหรอต้องแก้แล้วล่ะนะอย่างนี้จิตติดสมถะนะ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 ปกติไม่เป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นก็ดีนะค่ะถ้าเป็นต้องแก้ค่ะถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรตอนนี้ตื่นเต้นมากตรงหัวใจมันเต้นแรงอะ่ะมันไม่ใช่เรามันเต้นของมันเองเหลตุนี้แหละดูอย่างนี้กายนี้ไม่ใช่เราหรอกหัวใจเต้นเองใจนี้ก็ห้ามไม่ได้ใจมันจะตื่นเต้นนะพอใจมันตื่นเต้นร่างกายก็ปลอยหัวใจเต้นไปด้วยเนี่ห้ามไม่ได้สักอย่างเดียวดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเจ้าะ เห็นกายนี้มันทํางานได้เองเห็นใจนี้มันทํางานได้เองแต่ถึงเวลาต้องทําสมถะบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวปัญญาลรําไปเดี๋ยวฟุง้งคือนี่ลูกไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกทําสมถะรู้ว่าฟฟมากฟุงฟ้งม า, มากกว่าใช่ไหมเจ้คาคะยังฟุ้งอยู่ถ้าอาการที่ว่าลูกเห็นว่า อ, อดูว่าร่างกายหายใจเข้าหายใจะออกแล้วพอลมมันสั้นเข้าเห็นเวทนาที่มันเกิดอยู่กลางอกเนี้ยมันดับไปอย่างเงี้ยให้รู้ทันว่าจิตขณะนั้นเคลื่อนไปดู จิตขณะนั้นไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูนะแต่มันถล่าลงไปดูให้รู้ตัวนี้แล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเจถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่เรียกว่ามีสมาธิด้วคนะ่ะมีสติไปรู้สภาวะทั้งหลายะรู้หัวใจรู้ความรู้สึกแต่จิตไม่ตั้งมั่นแนละ้วให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไ ป, ไปแล้วใช่ไหมเมื่อมันเคลื่อนเดี๋ยวเราดูเราหายใจสิเนี่ยจิตเคลื่อนนะ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 ปกติมันเพ่งหรือเปล่าเจ้าค่ะนับเพ่งเนี่ยนะพอนั่มเพ่งก็จะฟงนะเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะงั้นจิตใจฟงสั้นก็รู้ะจิตไปเพ่งอยู่ก็คลายออกรู้ว่าเพ่งไม่หายหรอกต้องต้องจงใจลืมๆ ม, มันไปบ้างคือมันค้าเพ่งกับการปฏิบัติไปหรือเปล่าเจ้า<ช>ค่ะภาวนานต้องทำสบายๆนะเจ้าค่ะไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติดูทั้งวันนหะแต่ไม่ได้ดูแบบเอาเป็นเอาตายดู<ะ>อย่างนั้นเหนื่อย เจ้าค่ะแล้วครั้งที่แล้วที่ลูกส่งกันบ้างากับคุณมาลีว่าลูกติดสมถะมันเข้าไปติดตอนนี้มันออกมาแล้วหรื อ, อยัง่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยไม่รู้สับสนว่าจริงๆทําทำสมถะติดหรือว่ามันฟุ้งซ่านอย่แน่เจ้าคะตอนนี้มันฟุ้งแล้วเห็นไหมตอนที่พูดตะเกียบีกายลืมกายมีใจลืมจใจนี่หลักลักษณะที่ฟุ้งอ่ะเจ้าค่ะอ่ ะ, อะต่อไปกลับน้ำสการคาหลวงพ่อ เออตอนนี้รู้สึกตัวเยอะขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เคยให้กันบ้านว่าแต่ก่อนเนี้ยมันเฉยๆหลวงพ่อก็ว่าให้ไปดูจิตนะคะแล้วจะมีจะขอกันบ้านหลวงอค่ะจิตขณะนี้เป็นปกติไหมไม่ปกติเท่าไหร่เออใช้ได้ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ใช้ได้นะ <c oughs> ให้รู้อย่างนี้แหละค่ะ <c oughs> จิตขณะนี้ถึงฐานไหมไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ ถูกเนี่ยจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเดี๋ยนี้รู้ทันมันจิตมันไหลไปก็รู้สมาธิไม่จะเกิดคือจะตั้งมั่นขึ้นมาจะตั้งมั่นแล้วก็เห็นรูปเห็นนามทางานให้จิตไหลไปมันก็ไม่ไม่ดูรูปนํามล้อ่ะไปให้คนเห็นบ้านค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วกันบ้านนะคะนี่ไงจะทาต่อไปสังเกตเอสังเกตนะ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 งถ้าเห็นมันเห็นเองถ้ามันเคยได้ยินอะมานให้รู้ทันยินดียินร้นายเนี่ยถึงเวลาพอสมควรแล้วมันจะเห็นเองงั้นหนูดูได้ถูกแล้วล่ะเห็นไหมว่าชีวิตเราเปลี่ยนดูออกไห ม, ม ค, ค, ครับกับนิกสการ์พญาจาร์ครับครับอา่าเราถวายการปฏิบัตินะครับคือมีขั้างนึงเกิดเวทนาทางร่างกายขึ้นมานะครับ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 ทำถูกแล้วนะจิตออกนอกดูออกไหมครับนะอย่าไปดึงไว้อันนี้ไปรวบไว้อย่าไปดึงออกไ้ด้วยออกนอกเรารูนะาการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกพอจิตมันถูกแล้วนะก็เห็นขันมันแยกขันมันแยกเราก็ดูขันมันทางานไปแต่เวลาดูจิตไม่ได้ถลําลงไปดูนะอย่างนี้รุนแรงไปขนาดนี้แรงไป รู้สึกไหมมันแน่นค่ะเออยอย่างเงี้ ย, ๆๆยอันนี้อันนี้ฉุดต่อหน้าหลวงพ่อเท่านั้นกนเห อ, เออถ้าอย่างนั้นใช้ได้แต่ใครใครนะแงมาจากไหนนะเจอหลวงพ่อก็แข็งทุกคนอะ่ะครับก็ข อ, ข อ, ขอกันบ้านต่อนะครับเขาคนที่ต้องระวังคือเรื่องปัญญานะปัญญามันแรงมากระวังปัญญามันล้ําไปมันฉลาดไป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 เห็นไน้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูนะความสุขเกิดขึ้นใจเป็นแค่คนดูนไม่มีการหมายอะไรล่วงหน้าเลยครับกรับนมัส ก, การหลวงพ่อปางโม้นครับก็ต่อจากสมงเงนบ้านที่นี่เมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับก็ของผมที่ภาวนาก็คื อ, อ, อรู้สึกในการรู้สึกในใจในชีวิตประจำวันไปนะครับแล้วก็ครับก็เวลาแป๊ บ, บนึง ดูออกไหมใจมันหนีไปนะใจมันหนีนะอย่ารู้ซื่อๆนะรู้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายๆรู้ไฟสบาย ๆ, ๆ, ๆ, ๆอย่า ก, กลัวว่าจะไม่รู้นะอย่า ก, กลัวง่อไม่ต้องกลัวเลยแล้วอย่า ก, กลัวช้านะรู้สบายๆแล้วมันจะไปเร็วถ้าจงใจมากนะมันจะหวางเราก็ตามรู้ในกายในใจไปนะครับก็ พิจารณาไปด้วยดูายรักไปด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนอื่น<ม>อย่างนี้ครับ<ม>ก็หลังจากวันที่ฟังธรรมที่นี่คืนนั้นนะครับก็ผมก็ฝันเนี่ยฝันเห็นกระถางผักบุ้งปลูกผักบุ้งผักกาดอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าผมเป็นกระถางหยื่เหมือนเป็นกระถางนั้นฮนะรู้สึกว่าความรู้สึกว่าเป็นเราในกายในใจเนี่ย ไม่มีนะครับแล้วก็เอาความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมาภาวนาแล้ประมาณสองสามขณะอันนั้นไม่ฝันนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเห็นความรู้สึกว่าเป็นเล่านี่ยมันแน่นๆอยู่ ก, ก็ ก, ก็ดูตรงนั้นไปอแล้วเขาก็คลายไปประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็แบบเรา ห, หลังจากนั้นนะค่ามเป็นตัวตนยังอยู่นะ ครับเห็นอยู่ครับเอออย่างนี้หลวงพ่อก็เบาใจนะเริ่ม <c oughs> เริ่มเป็นห่วงแล้วครับมันจะจากหนักแล้วเห็นอยู่ครับว่ามีแต่มีเบาอยู่ใช้ได้อย่างนี้ <c oughs> นับปฏิบัตนินล้ต้องฉลาดอย่างนี้นะ <c oughs> คือรู้ทันจิตตนเองจิตยังเป็นเราอยู่เราก็รู้ทันนะถึ <c oughs> งจะใช้ได้ อ, อแล้วก็ช่วงสองเดือนก่อนหน้านี้ <c oughs> ก็มีงานทางโลกอะไรเข้ามาเยอะครับ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 ดูกายดูใจเนี้ยตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มกลายเป็นคําว่าดูรูปดูนามเขาทํางานแต่เวลาดูนะเราไม่ได้ให้มันห่างออกไปมากนะ <c oughs> มันอยู่ด้วยกันอนะแต่มันคนละอันครับ <c oughs> นะถ้าจิตมันทรงสมาธิ <c oughs> บางแบบขึ้นมาทรงสมาธิให้มันมันจะนิ่งๆิ่งขึ้นมานะ <c oughs> มันจะเห็นไอ้พวกเนี้ยเลื่อนๆห่างๆออกไป <c oughs> อันนี้เป็นผลจากจิตที่ไปติดสมาธิขึ้นมา <c oughs> นะต้องระวังตัวนี้นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมมีสุขทาวัที่หลวงพ่อบอกผมก็พยายามกลับมาดูที่กายเยอะๆเออถูกอย่างนี้หลักแม่นใช้ได้ <c oughs> ไม่งั้นอาจารย์จะลอยอยู่กางอากาศนะขันมันแยกเม่เย อ, <c oughs> อยู่ก็ว่างโลกนี้ครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับหลวงพ่อ <c oughs> อยางหลวงพ่อชีนในเนข้อผิดพลาดแล้วข้อควรระวังไหมที่ คือคืออย่าไปกังวลนะว่างานมากภาวนาไม่ได้นะเราก็ภาวนาเท่าที่ทําได้นะใจกังวลเรารู้ว่ากวลได้ก็คือภาวนาละหลวงพ่อก็ภาวนาสมัยเป็นคราวญนั่นเละงานเยอะทํางานหนักงานเนี่ยเต็มด้วยเรื่องดุเดือดเท่านั้นเลยเราก็ภาวนาจนได้หละแล้วก็ดูเอาใจกังวลก็รู้ใจงงนะเรานึกว่าปฏิบัติเนี่ยใจต้องรู้ตัวใสปิงนะ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 น้ำมาส ก, การเจ้าคะ่ะเขาที่แล้วไปวัดแต่อยู่ไม่ครบพอดีมีเหตุต้องออกมาก่อนแล้วหลวงพ่อบอกตอ น, น้นหนูฟุ้งมากหลวงพ่อบอกให้หนูดูลมกับดูกายเนี่ยคะ่ะก็ก็กลับไปดูเนะะีไยค่ะกลับไปดูแล้วก็พอดีขึ้นแล้วล่ะค่ะใช้จิตมันมีเครื่องอยู่นะค่ะอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอยู่ของจิตหายใจไปจิตเป็นคนดูไปะแค่นี้มันก็มารู้มรรผลได้นะค่ะ ก็คือช่วงนี้หนูตกงานใช่ไหมคะหนูก็อยู่บ้านแล้วก็หนูหนูชอบดูง่ายกว่าเวลาหนูทํานู่นทํานี่นะค ะ, ะเราทํางานบ้านไปะปนะัดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยทํา ง, นงานเราเห็นร่างกายเป็นทงานใจเป็นคนดูนานๆคิดอะไรแยบบ่เพื่อมาใจกังวลใจเขาเป็นคนดูเนี่ยดูอย่างนี้ ส่วนเรื่องการรักษาศีหนูก็ตั้งแต่หนูมนเริ่มภาวนากับหลวงพ่อหนูก็มีตั้งใจแต่ว่าก็พลาดพลั้งบ้างนะคะแต่ก็เ็นธรรมดาหรอกคารวะถือศีลให้ร0อยเปอร์ซยากนะได้เท่าไหร่ก็เอาเอาเอหนูขอถวา ย, ยวไปแต่แบบแต่ในใหลวงพ่อไม่ได้ยินเออหนู หนูขอขมาพระตนาตรยหลวงพ่อไม่ฉีแล้วก็ผู้สมงศีลถ้าหนูเคยประมาะทพลาดปกถขอบไปแล้วก็หนูขอบปฏิบัติเป็นพุทธบูชาติสาธุสาธุดีจังต้องปฏิบัตินะชีวิตเราจะดีขึ้นอ่ะต่อไปโอ้คนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วตอนฟุ้งันดับหนึ่งครั้งก่อนนนหลวงพ่อบอกว่าเยอะ โยมติดเพ่งมากนะคะให้ไปกวาดบ้านถูบ้านหนูก็ได้กวาดใหญ่เลยค่ะได้ดทั้งห้องนออ้ำแล้วรู้สึกว่าเป็นคนปกติมากขึ้นใ ช, ใช่ค่ะไปทำงานอีกนะค่ะอย่าไปภาวนาหมกมุ่นนะค่ะเป็นคนธรรมดาค่ะและปฏิบัตินไ่ไปชอบวาดภาพตัวเองต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนธรรมดา<ช>ทั้งที่จริงเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่สุดนและภาวนาง่ายที่สุดหรือภาวนาดีขึ้นอนะ ได้ปวดบ้างต่อไปหลวพ่อเดี๋ยวได้ขวาดเยอะมากกว่านี้ค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยปวดแล้วปวดอีกหลว่อดีขึ้นใช่ไหมคะหลวงพ่อเหรอหลวพเหมือนเดิมเหมือนเอาค่ะไม่ค่ะหมายถึงโยมนะคะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอยู่ที่ทําเมานะค่ะอย่าอยากดีค่ะคีดว่าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเนี้ยเราพอใจแล้ว นะอย่างเราขวานบ้านถูบ้านเนี่ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูแค่นี้เราก็พอใจแล้วแนะค่ต้องไปดินดน้นรนเมื่อไหร่จะบรรลุอะไรเงี้ยอย่างนั้นจะถูกข์เปล่าค่ะยิ่งช้าแล้วเรื่องธรรมะไม่ค่อยไม่ค่อยขวนขวายไม่ค่อยตั้งใจมากนะครัแค่แบบปล่อยมันไปตามสบายสบายเห็ น, นสภาวะเกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตานะั่นคือการปฏิบัติเต็มที่แล้วค่ะมากกว่านั้นก็ไม่ได้แล้ว แล้วที่อยากรู้ธรรมะมากๆอะไรอย่างนี้นมั น, นก็ <ฟ úng S 1> ไม่ขวนขวายแล้วค่ะไม่เอาแล้วฟงสนนั้นอย่างนั้นค่ะค่ะขอบบขอบพระคุณ <ไป S 1> ค่ะไปอยู่กับปัจจุบันไปนะเห็นกายเห็นใจทำงานค่ ะ, ะต่อไปขอบพระคุณ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 ก็เลยได้เห็นเหมือนกับว่าจิตที่มันคุมกายให้กายทางานครับ อ, อันที่สองก็คือผมเคยเห็นอาการว่วงถ้ามีสติเนี่ยมีความรู้สึกว่ า, าการว่วงมันอยู่ไกลๆพอเผลอสติปุ๊บมันพิ่งเข้ามาฮุบเราเลยครับอันที่สมเนี่ยมีครั้งหนึ่งผมกลาลังเดินจงกรมอยู่เสร็จแล้วมีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นได้เห็นเหมือนกับจิตผมเป็นก้อนดํา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 ดูกายดูใจไปนี้แหละอย่าเข้าไปแทรกแซงก็แล้วกันครับอนก็คำถามแรกค่ะคาถามที่สิทธิจำเป็นต้องถามเพราะทำให้สิทธิเครียดมาตลอดสามเดือนเลยคื อ, อเดี๋ยวสิทธิพยายามที่จะใช้คำถามดีๆค่ะเรื่องเทวปุตมาค่ะถ้าในกรณีที่เทวปุตมานเนี่ย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 ตัวที่ชี้ขาดเนะี่ยคือกรรมนะกรรมกรรมของเราเองเลยถ้าเราไม่มีกรรมนะใครมันก็ทําอะไรไม่ได้ออเพราะนั้นถ้าวิธีการที่ไม่ใช่วางยาพิษไม่เป็นอะไรค่ะนี่ค่อยยิ่งชัวคือสิทธิ์สังเกตมาตั้งแต่หลวงพ่อสอนให้อ๋อ ใช้คาถาสมเด็จโตนะเมตตาคุณนางอารหังเมตตาไม่ใช่คาถานะให้บริกรรมใช้บริกรมม ร, กรมค่ะอ๋อค่ะจะท่องคาถาท่องๆแล้วก็ถูกหวยถูก น, อ น, กนอนถูกนี่นี่บริกรรมสิ่นึกว่าสช่สมาธิสิง่สนงนึกว่าคําว่าคาถาหมายถึงกรอนโครงกรอนไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะค่ะเอาเอาเมตตาคู่นงอารหังเมตตาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าจิตเข้าบริกรรมเอง เวลาเข้าบริกรรมเองแล้วท่านเข้าบริกรรมเองคําว่าอารหังเนี่ยเขาจะทราบซึ้งไปถึง อ, อรหังสัมมาสัมพุทโธถูกหลวงพ่อเพียงเคยสอนเนี่ยว่าอารหังเมตตาอรหังตัวนี้ก็คือพระพุทธเจ้านะถ้าบริกรรมเป็นอะเวลาที่เราพอนาเราจะรู้เล ย, ยเราบริกรรมถึงเมตตาคุณของความเมตตาและความเมตตาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมตใจัสื่อถึงพระพุทธเจ้านะแล้วเราจะได้พลังได้พลังอะไรได้พลังของความเมตตาได้พลังของพุทธานุสตนะิแล้วได้สมาธิขึ้นมาคับแล้วจิตเห็นว่าบริกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยคือคือประสบการณ์ของเสดยจเนี่ยจิตเขาจะบริกรรมเองเมื่อเมื่อถูกเทวพุตมานแกล้งแล้วก็จิตเขาพอไปเห็นความกลัวจิตเขาก็จะ บริกรรมขึ้นมาเองอแล้วเมื่อเขาบริกรรมอย่างนี้คำบริกรรมนี้สกิ์มากเมื่อเช้าก็โดน ม, มันเข้าไม่ได้ลเลยถ้ามันออกไปมันหนีหนีหนีห น, ห, นหนีออกไปเลยค่ะพรูเจ้าสอนไว้แล้วนะการเจริญเมตตาเนี่ยไม่ตายด้วยสัตราอาวุธไม่ตายด้วยยาพิษใช่ ห, ห ม, มสัตว์ไม่ทำร้ายหน้าตาผ่งใสถ้าจะตายก็าตายแบบมีสติ ถ้าจะทำสมาธิก็ทําง่ายคุณของเมตตาดังนั้นถ้าเราบริกรรมเป็นนะนล้วใจของเราเชื่อมต่อถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปืป่อยความเมตตาเนี่ยโอเราจะได้ความได้อานิสงส์อาจารย์จะใช้คําว่าคถาเนี่ยใช้ตามบาลีแต่คนไทยเอาคําว่าคถามาใช้ในทางที่เสียไปหมดแล้วอ๋อสิหมายถึงคํากรนคําโคลงค่ะค่ะ คอสภาวะนะคะที่ที่สิตเห็นบ่อยๆคือสภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่กลางอกสงบนิ่งอยู่กลางอกเลยนะคะแล้วก็มันมีมันอยู่ความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านอัดแน่นเต็มไปหมดล้อมรอบอันนี้คือสภาวะของการกดจิตนะป่ะสิสิ้นไม่ได้เห็นว่ามันกดนะมันก็สบายดีรู้สึกมันาพากอะรู้สึกขณะนี้กดไหมขณะนี้กดหน่อยๆค่ะออขณะนี้กด ในความเป็นจริงแล้วนะจิตของอาจารย์่ะฟูงเก่งมากใช่ค่ะมันสะสมมาเยอะนะเพราะจิตมันเป็นตัวรู้สงบเด่นดวงเลยเนี่ยความฟูงสร้างที่มันสะสมมาเนี่ยมันห้อมลอมอยู่เต็มไปหมดมันแน่นเลยค่ะหลวงพ่อถึงไม่ตามใจนะถ้าตามใจไปเรื่อยจะยิ่งฟูงไปเรื่อยๆเสียใจค่ะคิดว่าสิทธิจิตแข็งแกร่งขึ้นเยอะใช่มันถึงจะขึ้นต้นไม้ได้นะ ไม่งั้นมันก็เราต้องคอยโโวไปด้วอยนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กเราก็เรียกให้ขึ้นต้นไม้ไม่ยอมบินสักทีเอาเอาเอาตรงนี้เราก็ษษษษจะเฉียดตายทุกวินาทีทุกขณะเจ็ดรอบด้านเนี่ยสิขอถามคาว่าการทำกาละ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 ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่แล้วคือมันแย่อยู่แล้วคขันอย่างนั้นไปโคลมโลกอย่างนั้นไปเถิงโลกอ๋อคือหลวง พ, พ่อเขาสิทธิ์เคยเห็นจิตวางจิตหลงแั๊บๆเนี่ยหลายครั้งใช่ไหมคะเป็นปกติอย่างนั้นไอนน้มัน ป, ปกติมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไหมคะมันวางนะแต่อนนั้นมันวางแบบมันวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบนะะเพราะว่ามันยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมันยังหยิบอีก ตัวที่มันรู้แจ้งแทงตลอดริยะสัตว์นะอาการวางมันไม่เหมือนกันไอ้นี่วางอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเขไปหยิบมาเองนั่น ส, ส, สลัดสลายตัวไปเลยมันไม่มีให้หยิบอีกหรอกเวลาที่สทเสร็จสวดมนต์ค่ะเวลาที่เสร็จวดมนต์เนี่ยมันจะมีเสียง คือเสียงของคําสวนบนที่เป็นภาษาที่รู้เรื่องเนี่ยแล้วสิทืดหาหาที่มาของมันไม่เจอไปดูที่ปากปากมันก็แค่อ้าหุบที่กล่องเสียงมันแค่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่หูมันมีแค่เสียงสูงๆต่าๆไม่เป็นภาษามามาที่สมองที่ขมับมันเห็นแต่ความคิดไม่มีเสียงเดี๋ยวะไปมาที่จิตมันก็มันมันคือตัวสัญญา สัญญาณเข้าไปหมายแต่มันหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนอย่าไปหาให้รู้โลงปัจจุบันไปเรื่อ<ล> ย, ยหามากไปฟุ้งซ่านในความฟุ้งซ่านในธรรมะนะเ ว, เวลาเวลาเวลาสิทธ์เซ็งๆแล้วสิทธ์ก็จะดูสนุกดีไม่ได้ไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีอ๋อค่ะจบแล้ว ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวามีวาอิโตทินนางเปตานางอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวาสมิจตุสัเพปูเรนตูสังกปา ฉันโถปันรนรสอยถามณีชโชติระโสยตาสาัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพารโรคโววินัสตุมาเตขวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวาอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจตตาโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุ จเจริญในธรรมนะมีนนความสุขกัน